สาปตวะค10ปรินิตาสิขาบทว่าด้วยการน้อมลาบเรื่องพระชัพคี657สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสมาคมหนึ่งในกรุงสาวัตถี สมาคมนั้นกล่าวว่าท่านผู้จเจริญพวกเราจะไม่ถวายพวกเราจะพักษาหารพร้อมกับจีวรไว้ถวายสงฆ์เป็นประจำทุกปีพวกภิกษุชาวคีกล่าว่า เมื่อถูกพวกพิสุทชาวพาัรีรบเราสมาคมนั้นจึงถวายจีวรตามที่จัดไว้แก่พวกพิสุทชาวขีและประเคนสง์เฉพาะพัตตาหารพวกพิสุทธ์ที่ทราบว่าสมาคมจัดอาหารและจีวรไว้ถวายสงฆ์แต่ไม่ทราบว่าพวกเขาถวายพวกพิสุทชาวพัีไปแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงถวายจีวรแก่สงฆ์สมาคมนั้น จเจริญไม่มีจีวรตามที่เคยจัดไว้พระคุณเจ้าชาวพกีน้อมไปเพื่อตนแล้วบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพนทนาว่าเช่ไนไงพวกภิกษุชาวพกีรู้อยู่จึงน้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงมาเพื่อตนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุชาวพกีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ